ทคำสวนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของได้ถ้าใครไม่เรพเม่จะกายเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นบาปเป็นกรรมเราให้จิตใจมืดนอ่อนช้าทำนของพระพุทธเจ้าิ่ี่คนรู้รูไม่สิที่คนเห็นเขเห็นไม่ได้ถ้าคนได้ไม่พูมันได้ไม่ชอบองอยเลยเพราะฉะนั้นเพราะาสังเวนระวังนั่นแหละจะให้ หลับตาลงดูตนเองคำพอน์ในที่นี้หมายถึงรวงจิตโจงใจของใครของเรารวงจิดวงใจของทุกคนแต่ละลายแต่ละลายสุดลงสงุเงียบเมื่อท่านแสดงไปยังจะเข้าไปสัมผัสในรวงจิตดวงใจพอกคนอส่นส่วนที่นตกข้างดเราจะนําไปสอบวพิวัติ นั้นห้ทำสอนก็ใชที่นี่จริงๆแล้วกติเตามาัมาอนเรามีเมตตารัาพวกเราอากให้กายกาจเป็นมหาการโคนาโถไม่มีศีไม่มีที่สุดก็มีประมาณทั้งเมตตาทุทาพวกเราอยากให้พวกเราไป็ปฏิบัติจีเงๆแกพวกผช่รอไม่สอนอยากให้พวกเราอยู่ไม่หยุดในการเกิด การกระตันใจการกรตันใจมันตายล้การกรตนใจกตายลถ้าเราไมุ่กนันจะมีในทุกเรื่อง้อมีควสมทุกข์ให้เราต้องเผื่คามต้องเผือปัจจัยต้องมีไข้เรื่องาแต่ตายควาไร้สารนวนาที่คะตายมาิพุกพูดในรับผู้ทับพุกออกขจิใจย้อีจิตจใจที่จมันรับผู้รับกออกมันมารับพล่าพละาคืออะไรพละกับเรื่ร่างกายก่อนะเนร่างกายต้องอ่อนรวงกันไม่มีโลกมันมีโลก มันมีเวนาคนสุดทุกขที่สัญญาคนสุดน้ายไมยรู้มีสนาคารคนฟอ่มฟางคนเกลร้ยงเรื่อนใจลึกใจลึกมีวิญญาณคนตาตาหูสมุทรที่จเสียน่ะทาร่าทั้งข้าูปรั่งข้ามมีเรื่องมันเป็นทาร่อันนับที่ไม่แบกไม่ทำจะไปไหนมาไหนจะไปได้เพราะนุ่ีดวงใจถามไปแบกไปชุบชุบตลอดนี่พระพุทธเจ้าที่มาฝากฝาก ว่าป<ภ>ัดปัดทรูปเหตุรูปคอเน่ท่านรู้มาตังมรรพวกเราไหวที่ท่านมาแล้วให้พวกปัจจุบันี้ท่านห้านนับมาทั้งแปดท่านต้นทแก่ทั้มาทิตีทั้งมาทศโพสั้มาจารามาตมโกทั้มาทิโทังมาไวยโมทั้งมาสติทั้งมาตมินิวิชาที่จะเข้าไปจับภพกยู่ใน้นเกิดถ้าการแปนของพวกเราเนี่ยถ้าย้อนหลังอะเป็นอีไรจะมักเป็นหมื่เป็นพันแสนเป็นนันล่าเนี่ ถ้าพวกเรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็ควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าวันที่ท่านจะิดตรัสรู้ผู้เผยธรรมสารลึกสียันท่านจะลึกไา้บนหลังได้ยกมือต่าแนสนต่าอนนนานต่า ท่านก้มขพิจารณาเ่อเอาเอาพบการเกิดการเสีการก่นตาย่จะพบคำทุกถึงสี่พุกลับไปกัมาสี่ชั่วโมงทุเรหมดสตร์เรขาน้ทังนกกระัใญที่สร้างเป็นหมดทุกตวตเป็นมนุษย์นบไม่ได้ทุกคนเป็นอนันตาติทที่นแต่ละข้างแต่ะขาวแต่ละาสตร์แต่นี่ท่านูมีท่านท่านดูเลหมดแจ้งจงหมดวกเราควรจะเสียอย่าไปเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าและพระอรียเจ้าต้องถูกพระพุทธนิพพานทลายแล้วหมดพัสดุผล Jamie, tamam. มันไม่หมดถ้าพวกเราปรพฤติปิบัติมาโต่มาพิจนาถึือพรานอาาย์พระพุทธเจ้าท่านมาสอนระเบิดเรกระเบิดรีจะทำอะไรกับชบขึ้นต้นมีก่อนมีน้ำมอญหน้าอับของข้าใจให้รู้จักความหมายของน้ำมอญหน้าหน้าขึ้นไม้ไม้เป็นปุ่นของวันดา รุ่นธรรมดาชื่อหามน้ามีน้ามีน้าแสเน้ำน้องน้าเบือน้าเมือน้ำมะก้นน้าลายน้าโมดร้ำกระป๋อน้โดี่เป็นสมบัติธรรดาของพวกเราทุกคนนี่เป็นสมบัติธรรดาสมบัติของยาของพวกเราครัะโมนโมที่คาดิน้าดินจะมี ถ้าผมผลเลี้ยงฟันน้ำเยื่อเอ็นกรู้เตี้ยในกระดูัสปอร์ตย่อยไปไกลอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นธากนี่เป็นสมบัติพิเาของพวกเราคนที่ี่ละถ้าไปให้ความอบอุ่นพยากระให้อบอุ่นไปยกายยุ่งยกายไปโผล่หันย่อยถ้าร่มลงนลงพัดขึ้นบางคนมีแก่ผู้เท่ามี่ชิคในทองลงในไตลงพัดไปตาตัวลให้ใจเข้าเข้าออกรวมเล้ยวหมดโรหมดสงสารนี่น่ะ มีของที่อย่างเานาเองนอกนั้นสมบูรณ์เรียกไม่หลงม่เหนที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยเขกเรียนมีน้ำกับินของอย่างถ้าไปกับเร็นน้ำทำความร้อนไม่มีชัวรมีตมนลมก็ไม่มีชัวรีน คนางคนลุกขี่จูงใจต่อไม่ตัวไม่ตนไปนำทำแต่ไม่เป็นดับไม่เป็นเท่าไมเป็นแก่ไม่เป็นนิจลงมาเกลามะเกิดแตมบ้านเัอสมบัติอันเดิมเนี่ยมักายิ่อาดีเอานา่งเอาใจอารมณ์ว่ามีตัวเป็นตนเป็นบัตรเป็คนเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ชีทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะมีมีอะไรมีร่างกายคนชั่วคนและกายนี่คือสิ่งของบิดามารดาไม่ใช่ของพวกเรานะพเราใช่สมบัติของบิดามารดาเพราะฉะนั้น ผู้ใด้เป็นเป็นบุญเป็นสมพลเหตุตนผู้ใชไม่เป็นเป็นบาปเป็นกรรมเอาสมบัติเขาที่ยามันรานไปทาคนทัดวเสียหายไม่ไม่สิไม่ท้องขอจำเพิ่มจำเพิ่ได้แปลว่าไม่ยกพ่อยกแม่ไป่คิถึงไม่กล่าวไม่ไหวไม่กล่าวไม่ไหวไม่ยกพ่อยกแม่ไม่คิดถึงอย่าเลี้ยงทำไรเอาไปเอาไปฆ่าตัดเอาเปรัคตับเอาไปตรองปิดใจมำเอาไปดื่มธุระมรัย ออาไปเอาทำก้นตัวจะหายไปเปลี่ยนเป็นตัวเลกคนคนอื่นมันมันไปทำลายไม่ดีนี่ทำอพาราธิปัญญ์ได้ศิลทาไมแักท่านจะให้รักษาเรื่องศีลอยู่เหมืนกันเขาเลยวาศีลอยู่ในตัวนั้นหรือศีลที่ได้สู่พระไตรปิฎกศีลอย่ในศาสนาอยนั้นศีลอยู่ในสุขภาพจริงๆแล้วมันฆ่าพวกเรารักษาขึ้นมันมีทุกคนเหรอครับว่าศนลดีที่นี่เพราะั้น รักษาทิ้งรักษาให้มันเป็นอะไรรักษาให้มันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งมันก็จะเป็นธรรมเมื่อมันเป็นธรรมแล้วก็จะเกิดเมตตาหงใารบุคคลเด่นสะดื่นลาหนาจะให้บุคคล่นสะดเ่ยมีความุกใจสบายใจแต่ที่จะช่วดบุคคลเด่นสะดนให้เขาต้นสักว์เี่ยนภาพจิตใจเป็นสิ่งเป็มทั้งหมดจะยุงเย็นป็นหูกโลกอันนี้ถ้าตางคนก็ต่างควาการรักษาอาศัยห่างทุกคนด้วย กฎหมายเน่ยมันมีก็ได้มันมันจะมีคราเมตาต้องสรน้น่กันกันมีมากมีมาเสียแจเจีเลี้ยนลูกผู้เสือกันไปทะเลาะกับกันแล้วต้องให้ผมเห็นัาแจกันอันนี้มันเป็นอย่างนั้นใจขาดศีลขาดธรรมก็ผงเห็นมาแจกันผู้มีลาลองมากผมเห็นมาแจกันผู้มีกําังสูงน่อยผู้มีสติปัญญามากผเห็นมาแจเอาผู้ มีสต <tr> ิปัญญาหน่อยนั่นนะผู้มีศัามากาเห็นลัทธผู้มีศักดิน่อยผู้มันมีศัผู้มีักดก็เห็นลัทผู้ไม่มีศักเดือดเดืเด้นกันเลยกันเพราะฉะนั้นมันขาดสินขาดนาะจักษ์ศิาดจำใี่รักอาศิรักธรรมเมื่อปฏิวัติไปรัาถชาติมันเป็นสินคือธจริงี่ต้องมีอ่ะุทเจมาสอนตอนนั้นพวกเราปฏิวัติเขาปฏิวไม่เห็นที่ไหนทต เริมเดินประจระาหัวทางมากที่สิงหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งเ <Yeah. S 1> นี่ยหัทางเหัวทางจะเข้าไปกับพูกและอยูเ่เตียงมักพอพ่อได้ก่อนนมาพิจิต่ปัญญาเห็นตอบเห็นตองเห็นอะไรเป็นอาริยสจะทำมัตสีอาเรียจสจะทำขั้นทีคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างดีพบหนึ uh ่ง huh. สมไทยเห็นทุกเบิร์ที่เน่งมีรอดที้นฟองกับทุกที่หนึ่งเนี่ยถามถามพ่อถาอยานะ คนก็ตามชรวบ้านกากจนก็ตามอีกทั้งาภรีถึงทำตามอย่างตามข้อเหยุกเห็นเหตุทุกเกิดขึ้นเนสาะเิงภูตเหุนี้โลกจึงจะบูกตามก้อนหรือ่สิงใจจริงนี่ละกีนโดนกิดใจจะไป่ท่ากี่ท่าอะไรประยแรกมันเกิดใหม่ชุพาูโย์กล็นใั้ไหมงานวิจรณ์ได้ทำเลชุพศูนย์กลางเชื่อมว่าืวั่นนคุณานแต่เหตุทุความเป็นว่าร่างตาย เ r ็นนหนึ่งใจจะเป็นภาว o หนึ่งนความเปราตุศรีธ คุณรู้ี้จถ้าคุณจี้เห็นจริงเห็นชัดเจนต้อว่าตัวสักการะจิตจีนไ่นายไม่ใหการเป็นตนไมให้ตนเป็นกายพิจิตรศรัทธาจะไม่สงสว่าอะไรคือตนอะไรเป็นายต้องพ้นคือจิตจงใจจิตจงใจนั่นเป็นนามธรรไม่รู้ไม่ร่างจะใค่วยเป็นแต่ไม่เป็นไม่มีไม่มีเลยข้าวให้ได้เรื่งนรวยจรวยถ้ารคิา อาทำเกษตรอยู่ท่จุฬาลงกรณ์อาทำมาิทีนี่ชาไทยเห็นทุกเชาวมาสัยเหทุที่ไหน้ับคนายของพวกเ้อจับหมดทั้งวนนี้ข้คนไทขอเห็ทุกเกิดใจเห็นทุกเกิดที่นับ ถ้าพันี้าพ่ข้าน้าพระข้าหลวงจริงข้านีเขาไม่รู้จักลุ่มระทุกข้านเขาไม่รู้จับกลุกมจัทุกข้รไม่รู้จักกลุกมจะทุกข้างไม่รู้จับกลุ่มจะบุกเขาไม่รู้จะเก็่ยะวดผู้ที่รู้จับกลุ่มจับทุกขาพรู้ใจเพราะจิตใข้าไปสวมข้าไปเยี่มข้าไปเกี้ยจากิจใจจุดก็จุดาเลยนกโนนี้จริงก็ม่ได้นอนสบา e ราบมันไม่ดีมันีมันดี ต้อด้ออะไรดีเพราอภิชาติมหาก็ไปไม่รูโ้โชคีเด็ดมก็้อง้องผมก็ติดหัวใจที่ไปที่มาของมันเมื่อสุดท้ายไปตั้งมน้แตกแล้วที่นี่ก็อย่างมากร้อยปีแตกแล้วบางทีก็ไม่ถึงเกิดมาไม่สมัครเสมอกัน ตเ็เด็กนันแล้วก็มีตายเป็นเป็นเด็กนักเล่นกรนนี้ตายเป็นหนุ่มเป็นสาวตรนีตายเป็นกลางคนนีตายเป็นคนแก่เป็นคนสลาก็มีไม่เสมอกันเหตุที่ไม่ไม่เสมอกันย่ามมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะกรรมกรรมกรรมธรรมาจากเมื่อไรเราเกิดมาแต่ละขั้งแต่ละขั้นสร้างกรรมทั้งบาปทั้งกรรมทั้งไนเบียดเียนกันกสัตว์รักทรัพย์ผิดในการทามาเรื่อยๆืสัตว์ตสัตว์ก็ทาลายกัน สัตจินสัตระเพิ่นบาปเป็นกรรมเงนกับกู ก, กินมึงมึกินกูแต่คนก็ต่างกินกันเมื่อกินกันเรื่องทำลายเขาเรื้องมันผูกไฟบาทอาฆาตจองล่างจองผานจองผานไปนั่นแหะกรรมตัวนี้นะมันตามสนนพากันให้ให้เกิดขึ้นมาเสี่ยนตัวแรกนี่นะถ้าไม่รักษารเกริดมาไม่ทํทำให้อายุสั้นตายเร็วพันนั่นายต่างพันไม่ถึงอายุไขที่ผู้ที่ท่านมีอายุไขอย่าง พระพาคู่รายท่าเกิดพร้อมชาตินาพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัจสายท่านปฏิบัติสินธรรมกับศาสนาพระพุทธเจ้าชือ่อกัจจายมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านเมืเกิด ร, ร่วมศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ย อ, อายุของท่านร้อยแปะอายุของท่านตั้งแต่วันเกิดมาอายุ80ปีนี่นยามเมล็ดหนึ่งก็ไม่ก็ไม่ได้กินไม่ได้ทานอายุถึง80ปีที่นี่ออกบวชอีกก็ได้อีก80พรรษามาปมฏาิบัติจนท่านเข้าถูงพระโลีนิพาน ไม่เคยไม่ไม่ไม่ไมไมเคยเก็บไขได้เกิดร้ป่วยป่วยเพว่าตัวรอนไม่มีนั่นอั น, นิี้สองของกันสินคอร์ข้ อ, อแรกถ้ารักษาไม่ได้นั่นมันตามสนองพวกเราทุกวันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันรวมแล้วอายุเพงท่านพระพ่อร้อนร้อยหกสิบปีร้อยหกสิบปีถ้าจะมารา ณ, จจารณาภาพนั่นนี่อันนี้สองสินคอร์แรกนั่นมันมีอั น, นสอ์อย่างนี้ที่พวกเรา ทุกคนหลังที่เกิดมามันไม่สบายเป็นน่วนเป็นี่เก็บไข้ได้ป่วยอ่อนเราเด็กต่ำทั้งนั้นเนี่เพราะท่านั้นเราดูพวกสรุปแล้วพวกเราอยู่กับกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมพิถึงอาศัยเราทํากรรมมันในว้ยที่เป็นบุ่นหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาญาติ คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมกรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมผั้อให้ให้ชส่วให้ผลเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วพวกเราทั้งหลายแลยอยู่อยู่พกก่อกรรมวิสวกรรมไปชั่วยะเมือ่อกรรมดีมันให้ผลที่มีความสุ ก, กายสบายใจลืมเนื้อลืมตัวล่าเรื่งบันเทิงต้องกลมเื่อเสียหายเพิ่มเตือนเพราะจะใส่ตนขาต้อ ง, องเป็นเหตุกันทีีเมื่อเวลากรรมกรรมชสื่ อ, อ, อ, อให้ผลเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนที่จะกลัวล้มกลัวตายวิ่งหาที่พึ่ง ไปพึ่งใครดไปหาที่พ่ ไปไปพึ่งโรงพยาบาลไปพึ่งหมอไปพึ่งยาที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาทําตน6ตนให้ไม่เป็นทุกข์เป็นที่พึ่งภงตนอาตหิอัตโนนาโถม่าปฏิบัติมาทำตนภคตนให้ไม่เป็นที่พึ่งภคตนด้แล้วไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งลูกไม่ต้องไปพึ่งหลานไม่ไม่ต้องไปพึ่งยาพึ่งเมิตรไม่ต้องไปพึ่งหมอไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลไม่ต้องไปพึ่งยาอาตหิอัตโนนาโถตนแน่นแท้เป็นที่เป็นที่พึ่งภคตนคํามตนในที่นี้ มาถึงดวงจิตดวงใจเนี่ยทำยังไงจะถอนจิตทองใจออกจากฟองทุกในไรออกจากฟองลูออกจากฟองเวทนาออกออกออกออกจากฟองสัญญาออกจากฟองสังขารออกจากองวิญญาณนี่เพราะว่าลูไม่ใช่ตนเวทนาฟองเจะกวดรอดเล่าก็ไม่ตน สัญญาความจําได้หมายมรู้ก็ไม่ใช่ตนหลังการคัมภูมิคัแต่ ง, อ ง, องของเพลศคัมเนื้อจิตใจเสียใจละคทังโกหลงเชี่ยนี่มัน ก, ก็ไม่ตนวิญญาณความรักษาตาหูจมูกหินกายใจนี่ก็ไม่ใช่ตนตนของตน จ, นจริงนะข้าผู้ใดเข้าไปเห็นตนนะที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราสถาคตัน้นทำมาเดียวกันคำาทําไาทำในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวใจอันบริสุทธิ์จะทำพวกเราด้วยมีแค่สงห้าจะทำให้ จ, ใจิตใจบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ต้อ ง, องสงสัย้วเพราะไม่ตั้งสธ า, าความเชื่อรงมด้วสยมันมากๆรวมมือทำลงไปพวอคิดพิพพจารณาให้ลูกให้เบียนเงียอย่าเปปรารถนาอยู่ยเฉยๆปรารถนาอะไร ปรารถนาให้ท่านขอดรักษาสินก็ดีจเจริญเมตตาภาวนาก็ดีมิได้ปรารถนาบ้างขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนุคตการเมืองหน้าโน้นเท่าจริงทำที่ว่าพระนิพพานพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าวันนี้อยู่ในท้องฟ้าอาจารย์การที่ได้บุตท้องฟ้ า, า, ากัน วัดพระนิพพานมันอยู่ในดวงกิดดนดวงใจของพวกเราทุกคนแต่ในปัจจุบันมันยังไม่เป็นคำที่ว่าพระนิพพานเขาคื อ, คอนิพพทาคนเบื่อไงทำอย่างไรจิตใจมันจะเบื่อร่างกายเนี่ยว่าเป็นทุกข์ก็เส็จเป็น ป, ปวดเป็นสลดเบื่อจิตใจตัวเองเนี่ว่ามันหลงหลงอยากได้อยากดีอยากอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากยั่อยาก เ, เา ก, ก, ก, ก, กเิดแก่เสพตายในโลกไม่มีที่จบทีสิ้นเนี่มันปัญหาของอยากอยากไม่มีที่จบสิ้น ความอยากอันนี้ต้องจะเชียบว่านักที่ตัณหาจะมานาทีแม่น้ำเส ม, มอตัณหาหคือความอยากเี๋ไม่มีในโลกนี่ไม่น้ำในใหญ่ไม่น้ำมหมาส ม, มุทรทะเล ว่องไยก็ไม่เท่าความอยากของขีดของใจแต่มันไม่ต้องอยากเพราะว่ามันหิวแต่มันไม่ต้องหิวกเพราะกินจิตใจมันไม่เต็มมันหิวเพราะฉะนั้นเขาให้มามาปฏิบัติมากขึ้นใจมันเต็มเมื่อจิตใจเต็มแล้วที่อยากเป็นอะไรอีกจะได้อะไรเอีกจะมีอะไรเอีกของดีที่สุดก็คือดูขีดุกใจเขาใครเขาเราจิตใจอันบริสุทธิ์ธํรมดาหมุนทิศกับจิตใจชำระความโลก ความโกรธก็ให้มีอยู่ในดวงกิตดวงใจควมหลงไม่มีเลมันด้อยู่ในดวงจิตดงใจสรุปที่นี่สรุปคมหลงมันหลงอะไรสรุปแล้วมันสรุปสุดแล้มันมันหลงตนเมื่อมันไปเห็นตนมันก็ไปยึดเอาของภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นเป็นบุคคลของภายนอกอันเดิมนี่แหะของภายนอกคืออะไรของภานอกคือก้อนสกรกายก้อนสกรกายตรงนี้อะไรบ้างมันมันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสู้รัดไห้ไปเลยไปยึดเอาดินเป็นตนเอาน้าเป็นตนเอาไฟเอาตนเอาลมเป็นตนเคยถามเขาบ้าง ถามแขนลงเนื้อแขนแขนไปแขนใครถามตามึงตาใครหูใครจมูกใครนี่ใค ร, รใครใช่เอาไว้ทุกส่วนเคทถามเขาไม่ครับ็นใครเคยถามเขาไม่ไม่เคยถาม เมื่อถามเราก็ไปให้คําตอบเพราะเขาพูดไม่เปลี่ยนเพราะเขาเป็นไม่มีความรู้สึนกนึกคิดอะไรผู้ที่รู้สึกนึกคิดก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเรานี่สรุปแล้วมันสรุปแล้วเราตอนเด็กเนี่ยเป็นเป็นพวกผู้หลงตนผู้ตนก็บประคัตทําความชั่วเสียหายเสิทธของไปฆ่าทรัพย์ไปรักทรัพย์ไปพื้ผิดในการไม่ไปเตืมสุราเมได้ก็เครื่องร้องของเมาที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามกับไปร่วงไปเกิน ม, มากับกาภาคดันคิตใจนั่น ใ ห, ให้เสบยทุ pues mm กไปเรื่อยๆพักดันพิจาจณ์ให้เกิดให้แก่ให้เก nah, ็บให้ตายไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเพราะฉะนั้นต้งให้ตึองให้พากันสร้างบุญผู้สวดมันมากๆบุญเกิดจากบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการลักถิ่นลักล่าถินบุญเกิดจากการการภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุก ประโยคทุกคําพูดทุ่งทุ่งคําก่าเป็นบุญบุญเกิดขึ้นเกิดกายบุญเกิดขึ้นทั้งบาญชาบุญเกิดขึ้นทั้งทางจิตใจนั่นไหวและนึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าแะนึกพุทโธทั้งวันได้บุญทั้งวันและนึกทั้งคืนได้บุญทั้งคืนและนึกทั้งปีได้บุญทั้งปีเมื่อเมื่อบุญมันมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเขมันจะพากันจิตใจให้อย่างเข้าถูงความสงบเมื่อจิตใจยังเข้าสูงความสงบได้ระดัมันจะเห็นตนของตนเมื่อเห็นตนของตนหยุด นี่ได้แล้วนะหนาหนึน่งมันเป็นปากเป็นทางจะจะเข้าไปดับพวกจังหวัดสัมมาทิฏฐิปัญญาเหนียนชอบนี่นเห็นทุกข์ทุกข์ก็ควรจะรู้จะเห็นแล้วถ้าเห็นเหตุให้ทุกข์เกิดถึงจิตถึงใจและวถ้าเห็นนิโรธคือความดับทุกข์ถึงจิจถึงใจถึงจิๆๆๆๆๆๆๆๆตอย่างจริงจังนี่ละจิตใจจะเป็นพาเมื่อจิตใจเป็นพาเดียวกัน หลังจากนี้ไปก็จะจะทำให้มากจะเล่นให้จ้างสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเต็มเมื่อสติเต็มปัญญาเต็มมันก็จะงเริ่จะหายยากนั่นสติก็คือคือคมเลนลึกลู้ปัญญาก็คือคมรอบรูรอบรูนี้คองสังขารสถาบันคลองสังขารอยู่ที่ไหนคลองคลองรูปนั่งอยู่นี่แหละคองสังขารอ่นั่งอยู่นี่คองวิญญาณนั่งอยู่นี่คลองสัญญาสังขารวิญญาณรวบอยู่นี่นี่ความรอบรูในคองสังขารชื่อว่าปัญญา่่ยยนเนี่ย นั่นนี่เนี่ยปัญญาความรู้รู้แก้งแห้งตลอดหมดในร่างกายหายสนไสรู้หายสนไสร่างกายต้นเดงกับร่างกายคนอื่นร่างกายััติอื่นต้นไม้ภูเขาอันเดียวกันอย่างเดียวกันโลกนี่นจะสรุปแร้่อหมดสรุปว่ามันลงตักันเพราะนั้นเมื่อ้อนตนของตนออกจาก ก้องทุกในได้มันจบแล้วไม่มีอะไรก็มิเตรวงจิตมัว้วนมิเตรวมธรรมด้วนนี่เนี่ยพระคุณเจ้ามาสอนให้พวกเราให้มาตามหาตนให้มันรู้ให้มันเห็นเมื่อเห็นต้นชัดเจนอย่างนี้ล่ะมาทำตนกับตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้นไม่มีปัญหาอะไรนั่งก er. ็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขหลับไปฝันไปก็เป็นสุขนั่นฝันกับฝันไปก็ยังเป็นบุญอยู่เมื่อเมื่อฝันไปกั บางทีก็หวังว่าตัวเองนั่งสมาธิภาวนาจิตึงรบาสบายนั้นขนาดหลับหรือ ม, มันก็บสบายแล้ว้าพจิตใจเขา้าเข้าไปทิ้งขีนเข้าไปทิ้งทำใจิตใจเข้าไปเห็นตนของตอนจริงๆมันเป็นอย่างนั้นของใครจะถามอมาัดทีมมัยังไม่รู้จะเห็นจะเห็นไหมไม่ต้องใสให้ทําให้ปฏิบัติรู้ได้เห็นได้เพราะ ใ, ให้ทําเหตุมันมากๆอย่างน้อยจะนั่งนั่งสมาธินี่ย อย่างน้อยก็มันได้กระ้ั่งหนึ่งสมองหรือสองสมองหรือสาสมงหรืเห็นไตัวอย่างเี่านพระผู้ว่าจันทกมาปฏิบัติอยู่ท่านสยหายในปัจจุบันนี้ท่านนั่งข้างละหกสมองคุนมันาลัวว่าพระลูกไหนตายหรืพวกเรากลัวตายคำที่ว่ากลัวตายคำ่าคำที่ว่าตายตาเนี่ยมันไม่มีอะไรตาย ชาติขันก็แตกสังหากส่วนคิตใจตายไม่เป็นแตกไม่เป็ี่ยนับไม่เป็นทําไมมันจะแตกไม่เป็ี่ยนับไป่เนี่ยพ่อดวงคิดดวงใจไม่เป็ี่ยนนำทำไม่มีรูปไม่มีร่างแตกตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นทีว่านี่ทำอย่างเราจะถอนจิตออกจากร่างกายนี่ได้ถ้าถอนจิตออกจากร่างกายนี่ได้ก็จบแล้วนี่นี่สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเมื่อจิตใจปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อนสั้นจากพระโตดาขึ้นไปถึงพระส่ีนาคาเลื่อนไปถึงพระอนาคาไปถึงถึงขั้นพระอนาคามีผลนี่แหละ ร่างกายกับจิตใจขาตอนกันโดยเดชขาดทิ้งจิตเป็นจิตกายเป็นกายเข้ากันไม่ได้ทําไมไม่จะเข้ากันได้ก็เพราะมันรู้เนี่ยที่มันเข้าได้เชื่อมเข้ากันได้ก็เพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้เร็วเข้าไปได้ มันเอ้ยประมาณประมาเหมือนกับน้ำกับขวดขวดก็คือขวดน้ำก็คือ น, น้ำเทเทกันมันก็ไม่เข้ากันของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เทน้ำเข้าใส่ผืนแผ่นดินเขาเข้าไปมันซึมซากระไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่นานเห้มัดถอนดอกจากฟองทวกนี้นะถ้าไปถึงขั้นพระอนาคามีผลหมดแล้วเดี๋ยวับแต่ยังยังมี้นแต่ไม่ย้อนกลับ ไม่ย้อนกลับคืนไม่ย้อนกลับลงมาที่ดำบิมิได้สูงขึ้นไปจนจะพ้นซึง่งสองคือพระนิพพานที่พวกเราปาฏิหารไม่ต้องสงสัยนี่มักพ่อแร่ข้อที่สองสัมมาทังกปดัมดีออกจากการรมดัมดีออกจากกรรมคิดจะออกจากออกนิจากรรมจะถามว่ากรรมอยู่ที่ไหนก้อนสกปรกกายของพวกเราเนี่ยก้อนกรรมบอกสกปรกมันกรรมเนี่ย ม, มันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษ ถ้าไม่มีกรรมพวกเราก็ไมาได้เกิดหรือเมื่อถ้าเกิดม่าล่ะแต่ว่าม่ถึไปทุกนี่ะนี่หว่าก้นตะกนละกายก้อนทะกนและกรรมกรรมเป็นว่ากรรมป็ว่าคงร้อนกรรมเป็นว่าไฟไฟอะไรล่ะไฟราคา กํามกำนัดดีๆในลูกที่เสียงในกิ่นดนรที่เครื่องหรือผัดไยโทรสะคือคตโกรธไฟโมหาคือคมหลมคือถ้าตามเข้าไปครอบงามันมีทั้งสองอางมันมีทั้งดีดีมัมีทั้งหินไหลมันมีทั้งดีใจมันมีทั้งเสียใจมันมีทั้งรักมันมีทั้งฟังมันมีทั้งกวดมันมีทั้งเก็ียตารล้พักอยากรวมกันไม่แหม มันเต็มจันลูมูกบริบลนี้ในดวงกิจด้งใจของเขา เ, าเต็มกมตาของมันเพราะฉะนั้นมีแต่พวกเราอนมาปฏิบัติมาทำระาร่างออกร่างออกร่างออกร่างออกทั้งหมด ให้มันเหลือแต่ดวงจิตล้วนเหลือแต่ดวงธรรล้วนหนักของดีที่เจดมันอยู่ตรงนี้อย่าไปเข้าใจไปอย่าไปหาความสุขที่ข้างนอกทพี้ยนนิ่งกินไดของอยู่ของภายนอกมันอย่นอกที่ดียอมทมสอะก็ใช่ในโลกเสด็จหนึ่งของดีแต่แท้ของดีแท้อันวิเศษอั้สวยแท้คือจิตใจของใครของนลเรามีสิทมีส่วนมีสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้สามารถที่จะดปฏิบัติได้เมื่อถ้าใครอยากพ้นภพทำให้เลวขึ้นต้องเสียสละอย่าเสียสละ อาเซีตะลัต้องทรมานให้ทำมันโผล่หน้าขึ้นมาดูปรโยกแรกทำที่มันจะโผล่หน้าขึ้นมาให้พวกเราดูขั้งแรกก็คือทุกข์หละทำไดมันถ้าทุกข์มันจะโผล่ขึ้นมาให้มากนั่งมันมานานๆชั่วโมงหนึ่งมันทุกข์ยังไม่โผล่ขึ้นมาเอาสองเอาสามเอาสี่เอาห้าเอาหกชั่วโมงนั่งไปถ้ามันกลัวตายกันลองพิสูจน์ความตาย มันจะตายจริงไหมเมื่อปวดมันปวดไปเก็บปวดถึงฉี่แจงมันมันจะแตกจริงไหมถ้งมันแตกลองดูจริงๆแล้วมันไม่แตกหรอกคนมันจะแตกระดับมันจะเก็บใครได้ป่วยคนร่างกายมันแปรี้ควรเปลี่ยนแปลงก่อนมันสำรูดซึ้งสมก่อนมันจะงแตกถ้ามันยังสดๆล่ำๆมันไม่แตกมันจิตจิเลตมันไม่ทําเสฉยๆแล้วเอาสิจใจมันกลัวเฉยๆมันสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวนั้นต้องสู้ฝ่าหุ่นท่าท่าจะดูท่าจะดูจริงเห็นจริงเมื่อเราสู้เมื่อมันทานเข้าไปมันกขมัมีอะไร มันผ่านเวทนาเข้าไปไม่มีจิตเต็มกว่างกาหนดดูมันไม่มีอะไรโลกอันนี้ไม่มีอะไรอโดยธรรมชาติของจิตของใจเราจะว่าว่างโล่งมดเบาสบายไม่มีอะไรใ้โลกีนึงได้เนี่ยหยุดนี่ตรงนี้ละที่พระพุทธเจ้ามาสอนพกทโธหรือพระอริยะเจ้าครูอาจารย์มาสมสอนพุทโธให้ปฏิบัติท่้าก็ปฏิบัติเข้าไปถึงตนของตนให้มันได้ที่ท่านให้เื่อให้นามา อัปปนาสมาธิสงบเงียบลงลงไปว่างหมดไม่มีอะไรตกข้างในดวงจรตรติตดวงใจไม่มีดวงว่างตั้งอยู่ได้ดั่ น, นั้นจ้าผู้ใดสงบเข้าไปถึงตรงนี้ได้เมื่อจิตถอนออกมานมัจจิลู่เองเห็นเองของใครของเราว่าร่างกายจะเป็นสภาวะอันหนึ่งจิตใจด้เป็นสภาวะอันหนึ่งไม่เป็นอันเดียวกันแล้ว เลียนซัดเย็นลงไปนี่ของใครของเรานี่สรุปเลของดีแท้ๆอยู่ตรงนี้ความถูกแท้ๆอยู่ที่นี่สุขที่พวกเราพากันเฉสวยอยู่ข้างนอกเนี่มันสุกนิดหน่อยๆประเดี๋ยวประดาาแซบเดียวไม่ไม่เหมือนนีลาม่ถสุขสุขาจาริศเพราะท่านชืเว่านาฏิสันติปะนางสุขัง ทุกอื่นนอกจากความสงบของจิตของใจไม่มีในโลก น, นี้นั่นเบอกนี่นานะนีธรรมมาทั้งคมโปํานริออกจักรรมกรริจักายน่นนี้นี่มรรคอที่สองข้อที่สามกับข้อที่สีนี่สัมมากรรมมันโตกับสัมมาอาชีวโนเลี้ยงชีวิตใหมันชอบอย่าไปเบียดเบนตนและบุคคลคนอื่นสัตว์อื่นอย่าไปทำให้บุคคลอื่น สัตว์เดืนเขาเดือดร้อนพุ่นวายเป็นทุกี่นี่การงานการทํามาหาอยางเกบเร่ยงสมาอาชีวโกาเรี่องชีวิตใหมันชอบประเภทอาหารที่พระพุทธเจ้าท่านท่านหามแลก็พวกข้าราชรงดเว่นเนื้อมนุษย์เนื้อช้าเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อลาสตีเนื้อมีเนื้อแจ้งงเนื้อสีเหลียงเนื้อเสือดาวเนื้องูพวกนี้ท่านงดก็ต้องงดถ้าไม่งดมันไม่ถูกมันทาง มันมเป็นมันมันเป็นูนนนนกาทางดันแรงเ ข, เข้าาไปเ ข, เข้าเข้าเขาสุมาเข้าสู่ผลเนี่ยมันผิดทางมันไม่ถูกต้องสรรมะอาตีโวสรรมะกรรมต น, นพวกค้าขายเหมือนกันค้าขายมานุษย์ ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตไปขาค่าเป็นอาหารค้าขายยาพิษค้าขายเครื่องดองของเมาค้าขายของผิดนี้าสีขอมีพวกผิดเท่านั้นนี่นี่เพนี่ควกค้าขายพวกการพลงานจะให้มันถูกต้องครับถูตามศีลการรมนี่สมมาคัมมันโตสมาธิโอ สัมมาวายามนเพียรให้มันชอบเพียรละความทุกข์เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมไปสิ้นไปยกแสดงพวกที่ดื่มกุลาประจัมเพียรพยายามละวางบาปส่วนที่เกิดเกิดขึ้นนี่แหละเพียรพยายามให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจนี่เดีว ทำ ม, ม, มาบายามลเปี่ยนละบาปที่เกิดเสร็จแล้วและก็เปลี่ยนพยายามให้บุญกุศลเกิดขึ้นตั้งต้งปจจาานปฏิาการในท่านการลัทธิการเฉริมเมตตาภาวนาเปียนให้บุญกุศลเกิดขึ้นบุญคือความสุข ก, กายสบายใจกุศลคือความสบางของจิตของใจฤทธิ์ศีลคือปัญญาเปียนพยายามให้มันเกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลเกิด ทั้งบุญทั้งกุศลเกิดขป้นแล้วเพียงพยายามรักษาบุญกุศลที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสี่อมไปหมดไปสิ้นไปจากเห็นจากใจของของเราอนุรักษ์น่นี่ยชัมมสมมาสัมมาวายาโมเพียนชอบสัมมาทาเตหที่นี่เลื่ลึกทำไมชอบ อย่าไประลึกเบียดเบียนขี้นกันเรียกันอย่าไประลึกอาฆาตผ่าบาทอาฆาตจองร่างจองฐานบุคคลอื่นชาอื่นอย่าไประลึกไปกาบไปไหว้ละที่อื่นศาสนาอื่นไปไประลึกไปไปกาบไปไหว้ต้นไม้ภูเขาเ้าบนเป็นรนะเป็นที่พึ่งมันไ่ิดมือทางโดยการพระพุทธเจ้าจมาสั่งมาสอนให้เราพุทธังธนนางคัตามิธรรมังธนนางคัตตามิสังฆังธนนังคัามิเอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะเป็นที่พึ่งมันจะู่ิมือทางไปกราบไปหว น้ back, องขี่ชงไปออกไปนอกนะครับต้องไ่ผู้เขาไปปราบไปปาพวกผู้ผีพีสาตมันนอกจากหนทางไปมันผิดเี่ยไปปาเขาทาไมไปปราบไปไหว้ทาไมพวกผู้ผีพีสาตพวกผู้ผีพีสาวมันเป็นภูมิจ่มกับพวกเราเราสูงกว่าเขาเลยไม่ยอมกราบไม่ไหวเขาทำไมเมื่อไปปราบไปไหว้น่ยมันแตกต่ายเหมือนเหมือนเดิมแลยย่ะไปเชื่อโบราณพรกาพระวมีเจ้าพ่อเจ้าเจ้าปู่เจ้าตามีมีหอเจ้าปู่เจ้าตาเลิก พาพภูมิเจ้าที่มุนไปเลิกมากที่ไหนหมดเอาเอาพรพุทเอาพรทํารมเอาพระสงฆ์เป็นพึ่งพุทธทางศาสนามีธรรมบางศาสนามีสามรำศาสนาขัาสามีนี่เป็นสี่พึ่งอันเกษมสูงถวนอินทรีย์ที่ถวนอยู่ที่นี่ให้ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ สัมมาสติและลึกธรรมชอบนอนได้กับมามาละลลึกใจทำและลกถึงโอภโธภูตโธนี่นีมัละลึกที่สอบและลึกถึงธรรมอหรือละลึกกาหนดลมหายใจอารมณ์กรรมฐานของเรานี่นี่มันจะถูกตามมชอบละลึกมชอบสัมาสัมมาติสัมมาสมมาเทศน์ตั้งใจไว้ให้มัชอบสิเพื่อชื่อ่า บาปกรรมน้อยหนึ่งนิดหนึ่งที่ขออย่าให้ไม่เกิดขึ้นอย่าให้ไม่มีขึ้นเมื่อม่มีขึ้นเรากรรีบสำน้างยว่าสัมมาสมาธิประชุมอาจารย์ธรรมเมตังทางทิศับไปดับทุกข์สัมมาสติสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาติสัมมาสมาธินี่ที่พระพุทธเจ้าแสดงให้พระประจาวัคคีทั้งห้ากอนตอนท่านได้ตัดรัวใหม่ๆนั้นพระพระัจจาวัคีทั้งห กำหนดฟังตามพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อท่านแสดงธรรมจบหลวงพระญาโกนัญย่าได้ดวงตาเห็นธรรมบ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั่นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาจิตใจถึงขินถึงขินถึงขินถึงธรรนิสัยยังยังไม่ได้ได้สำเร็จเป็นพระรหนพอท่านมาแสดงธรรมอนัตตาละคณาสูตรที่สวดไปเมื่อคืนเนี่ยอนัตตาละคโนนีพระอญญาคก พระพบรรจารัคพีทั้งหา้าฟังตามเมื่อท่านแสดงอนนานรัตระคณะสูตรจบลงไปพระพบรรจารยคพีทั้งหา้าจะําเด็จเป็นพระอรหันต์ใช่ปะรูปธระมิ่งปีนิพินนาตีนิพินเถิที่พิทาความเบือในรูปนะี่ละเวทนายะปีนิพินนาตีเบื่อในฤเวทนาสัญญายะปีนิพินนาตีเบือในฤสัญญาความจําได้ไหมรูป สั้งคาเลทุก ป, ปีนิพนตีเบื่อในหรือทั้งการเคาปรุงคขาแต่งเขาคิคดเขาเลือกใจ ใ, จ ใ, จ ใ, จใสๆเลือสังข์นในกายนี่เบื่อในนิ น, นทีบนทนบนทนเบือในเขาครดความกำบนาดีๆนิินทีก็คือนิพิธาความเบื่อในหล่ะ รักคเรนทุกปีในมินาตีวิญญาณัตินปีนมินาตีเบื่อในตาเบื่อในหูเบื่อในจมูกเบื่อในนิ่นเบื่อในใครเบือเบื่อในจิตใจเมื่อเบื่อในเมื่อใครความกำหนดีเมื่อใครความกำหนาดีได้กิดก็เลยนพนก็ดิวิละกังบิมุตจติบิมุตตัสมิยงมุตปิมุตตมิตีญาณังหูตีที่นาชาติมุติตั้งคนมัจจาริยังกตั้งกรณียังนาพลังอิตายติประจานติตีน การดีที่จะพึ่งทำอีกต่อไปไม่มีพระคบพจุบันีังกิจจะพุทธธไม่มีมีจะกิกิจที่ท่านทากับมีการเมตตาสงสารสงสารสัตว์สาตโลกไปสั่งไปสอนสัตโลกแต่กิจจิตของท่านหมดแล้วพระัจพระเกตท่านแลทาเป็นพระอรหันต์กิตพ้นภูมิแล้วจิตถึงถึงฝางคือพระนิพพานนี่ว่องเบื่อเจ็มร้อย เต็มร้วยเบื่อหนายท้ายบ้นดถึงชีดแดงบวดแล้วกลับขื้นไม่ได้นั่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักฐานพยายนที่พวกเราจะยายไปปฏิบัติอย่าไปสงสัยการปฏิบัตินี่มักคือห้อคือหนทางคือศีลหนึ่งคือสมาธินึงคือปัญญาทีหนึ่งนี่นมักสู้ทาบางบางไร่ ถ้าจริงๆรนี่แหละไปสอนพวก่าโจมว่ามันหมุนมากผมเชิญเลยว่าแต่เนี่ยปฏิบัติมันหมุนมามนผลยคนี่ตไวนี่มันถ้าใครได้สาเร็จเป็นพระอรรัตน์มาเห็นหอมาให้ดูว่าถ้าไปเข้าใจว่าคนที่หอได้ไปพระนั้นก็ไปกับกับตันขับเพื่อบินคือเหมือนว่านนองไปกับตัวอีสิการตัวอีแรงไปขับโนกับเหมือนที่ขาบเหมือนว้านั่นนี่มีคนเข้าใจผิด เมื่อเมื่อเข้าใจบำมักคนไม่มีจากที่เด็กศีลศีลของตัวเองไม่ไม่ไมรักษาเลยที่นี่ทาคุณซีสม่าเพราะจะนั่นตายไปที่จะไปตกในโลกพวกทีอ่อัวจตรวดตรวจเข้ามาไม่ทั้งวันระวังรักษาศีลหน่อยหนึ่งนี้ถึงพราะฉอนก็ต้องทั้งวันระวังศีลห้าของพลกเรเหมือนกันศีลแปดศีลสินศีลสีิบเศีลสสสินสเป็นศีลของผ่าน สินสินอยู่ในเพราะปฏิโมกปาิสแปว่าปฏิบัติโมธาว่าทเมื่อเมื ını, res, playable, ่อปฏิบัต <pet> ิทานได้เป็นสินไปทำจริงๆแล้วที่นี่สินหก็มีสินตัวเดียวสินแปก็มีสินตัวเดียวสินสิก็มีสินตัวเดียวสิ้ีก็มีสินตัวเดียวนี่ถ้ามาเป็นสินไปทำเมันมันมีเท่านี้มันไม่มาก คมคำคำที่ว่าชิ้นตัวเดียวที่ไหนพราะจิตใจเนี่ยตัวเดียวคือตัวคือดวงจิตดวงใจอันเดียวนี่นะท่านเพราะฉะนั้นถ้าให้รักษาปฏิบัติให้มันเป็นศิลให้มันเป็นธรรมนี่ปฏิบัติโมฆะเป็นข้ามข้ามไปจากที่ไหนข้ามไปจากโอฆเอยงแรงดานข้ามไปจากคมเกิดข้ามไปจากคมแก่ข้ามไปคมเจ็บ ข้ามไปจากความตายการเกิดเกิดตาไม่มีอยู่ในดวงจิตดงใจของใครของเราเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยที่นี่ถล่มแล้วที่นี่พวกเราทั้งหลายแหละถ้าถ้าพากันอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลกอยากพ้นโศกให้โศกต้องโศกอะไรให้วางสุขในรักทุขทุกมีของมีประจมโลกมนุษย์เศราโศกเพราะสุสทุกข์ทั้งสองเมื่อละสุขละทุกข์ได้เหมือใจปองไม่สมองขุ ม, มัวทั่วนิรันต